อตั้งขมายะทุกขะโทมานัสสธรรมนัสานันงอดีขมายะแล้วก็ยายาสาธิคมายะนิพพานสจิการัทะยะว่า5ประการมันเป็นเพื่อความบริสุทธิ์หมดเกลียดของสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อความตั้งอยู่ไป่ได้แห่งทุกขะและโทมานัสเป็นเพื่อเก้าร่วงข้ามเจือทุกความไม่สบายกายไม่สบายใจและเพื่อการบรรลุธรรมที่เราควรจะรู้แล้วเพื่อการทําพระนิพพานให้แจ้ง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 มาเกินขนาดนี้ละไปอยู่ป่ากันนะ <'d S 1> พอบอกไปอยู่ป่าแล้วไม่เอาเลยจจเราคุณเหมือ น, นเดกเมื่กีที่เล่าไปฟังนะพอบอกเมื่อกี้คุยอ่ะอโอ้โูู้เรื่องดีหมดเลยทุกอย่างอะอรู้ดีแไปเดินจงกรมหนึ่งรอบไปคลางคืนไม่กล้าไปอะไรนี่เป็นตัวรู้แต่ว่าทำไม่ได้เพราะฉะนั้นที่อสมมตาเนี่ยจะเป็นที่เอื่อเฟื่อให้ผู้หญิงมีที่ยืนาะอย่างที่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 หมายถึงสัตว์ทุกประเภทหรือเปล่าสัตว์ทั่วโลกหรือเปล่ามาก็เลยในฐานะที่ว่าไ ด, ได้ได้ศึกษาปฏิบัติเรก็มาวิเคราะห์ว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเป็นสัตว์วิเศษานเนี่ยมันจะบริสุทธิ์อย่างไรดังนั้นในความหมายว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยคงจะมีในแยะอะไรที่ที่สำคัญนะเพราะในตัวของเราเนี่ยมันมีความเป็นสัตว์ติดอยู่ในใจิตใจของคนทุกคน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 ทีนี้เมื่อกุศลเกิดความสุขเกิดความสุขเป็นเหตุใกล้ที่ทําให้เกิดสมาธิใช่ไหมครับเมื่อความสุขเกิดขึ้นได้บ่อยๆจึงกึอ่อกูนให้สมาธิจิตตั้งมั่นปรากฏขึ้นในขณะนะเดียวกันเนี่ยแล้วอะไรเอ่ยเป็นเหตุใกล้ทําให้เกิดปัญญาก็ต้องตอบว่าสัมมาสมาธิหรือจิตที่ตั้งมั่นถามว่าสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นมาจากไหนก็เริ่มมาจากสตาร์ทด้วสตินั่นแหละ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 เร่มได้คามหมายใหม่เปว่าสะดวก <c oughs> อาว ก, ก, กายใจสะดวกอทําไงก็ได้ให้กายใจสะดวกไอ้ส่วนที่เป็นรูปธรรมนนะ <c oughs> แต่ว่าในแง่ของนามธรรมาคือทําให้รู้สภาวะทำต่างๆได้ชัดเจนละเอียดประณิตขึ้นเรื่อยๆตามอาจารย์สุภีแต่ในความหมายของอาจารย์ธีริยุทธว่าทําให้ปฏิบัติแล้วให้การสะดวกใจสะดวกพร้อมที่จะทําอะไรได้ ท, ทันทีนะก็เริ่มมีควา ม, มวาพร้อมทีนี้มาข้อต่อไปใกล้จะถึงจุดเนี่ยเรื่องนี้จะต้องถามอาจารย์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 เริลนะ้วครูเริ่มโตกใจก่อนแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงโดยวิธีการตัดสิงไปเลยนะคะถูกผิดไปเลยก็จะทำให้เด็กขุ่ยพ่อแม่ก็เหมือนกันนะเวลาอยู่เห็นเพื่อนเห็นลูกเล่นกับเพื่อนหรออะไรบางทีก็ดีเฟน์มากเกินไปก็คือรู้สึกว่าลูกถูกแกล้งหรืออะไรก็จะรีบเข้าไปแสดงบทบาททันที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 พ่อต้องไปนะแม่ต้องไปนะเนี่ในชีวิตหนึ่งเนี่ยต้องไปให้ได้นเนี่ยนะคะก็ไม่แน่อีกนะคะเป็นเป็นบางค น, นะค่ะซึ่งเขาก็ไปได้อารมณ์รู้ว่าได้รู้อะไรขึ้นมาในในในการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขาบ้างนะคะก<ๆ>ลับมาก็มาขอบคุณใหญ่เลยอาจารย์หนูขอบคุณมากเลยที่หนูไปในขณะที่อีกห้าสิบคนไม่มาพูดเลย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 อาจารย์ใหญ่มาส่วนตอนนี้ผมได้อะไรอย่างได้อาจารย์ต่อไปนี่นะเรียนคนไหนที่ดื้อที่ซนที่มาโรงเรียนไม่ทันไม่ส่งกันบ้านผมจะมาสร้างจังหวะดหมดเลยว่ากันเอามาฟงัง้วตกใจโอ้อาจารย์อาจารย์ทำงันไม่ได้นะต่อไปเนี่ยจะพวกนักเรียนจะเกลียดกลัวในเรื่องของท า, างจังสวัดเลยถือตังวา่าจะทํางันไม่ได้ต้องเปลี่ยนแผนใหม่จะทำไ ง, งพ่อว่ากัน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 คือพยายามให้ใจเขาถึงความความสงบความเย็นนะครับเพราะว่าถ้ามีอะไรมากระทบใจแล้วเราปรงแต่งให้ต้องเดือดเดืองน้อนใจนะครับความคิด็ดีหรือการพูด็ดีหรือการกระทํก็ดีของเราเนี่ยก็จะพาเราไปสู่ภาวะที่ที่เป็นทุกข์ที่เป็นความร้อนรุ่มนะทีนี้เราก็พยายามให้นักศึกษาเขาได้ได้ฝึกดูจิต ด, ดูใจเขา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 ปฏิบ <st> well. <depend> nah ัต <prom os kes in> <sk> ิเห็นจิตเห็นใจตัวเองได้ได้ได้ชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นก็จะเป็นทางที่คิดว่าจะช่วยให้เขาเข้าสึงความสงบก่มีเห็นได้ครับเพราะว่าเราสร้างจิตนกุศลเรื่อยๆนี่ผ่านกาลผเรื่อยๆครับเพราะว่าสติที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยเอนอกจากเราใช้ด้วจิตด้วยใจเราแล้วก็เราก็จะต้องใช้ในการที่จะแยกแยะด้วยที่จะถือเอาสิ่งที่เป็นกุศลถึงที่เป็นประโยชน์ด้วย ฟังก็ยังเป็นนิสชากามหน่อยอาจารย์ขออวามคิดทำความริพน์ให้แจ้งนี่ในกองหมายที่เอาไปใช้ทุกวันโดยเฉพที่พี่วอร์ดว่าเห็นมานาไปทุกคนน่าจะให้อำตอบอเลยที่ค่อนข้างจะเรียกว่าเอาไปใช้ได้จริงๆริเี่อาจารยที่อาจรที่รจับ่เอาที่สเนที่สองห้องเดือนที่เอาตัวมาเห็นทุกนการนักราชการท่าอาจารย์คนจริงวันนี้จะไม่มา หลายคนบอกถ้าไมมาทุกคนว่าผิดปกติก็เลยต้องมาค่ะ uh huh. เออคือตัวเองคิดว่านิพานนี่มันไกลมากสําหรับตัวเองก็ค uh ิ huh. วดว่าอยู่เนี่ยว่าที่เฉยได้ก็พอแล้วเ uh huh. มื่พอพรอาจารย์พูดนิพานนี่ว่ากลัวเพราะว่าคิดว่ามันไกลไกลตลอดที่จะคิดเพราะฉะนั้นก็จะไม่คิดถึงนิพานเด <laughs> ี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยังคิดอยู่ไ <laughs> ม่คิดหานิพานไม่คิดเขาคิดว่า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 พมันเลยไปแล้วเพราะพอ่พอท่านพูดเลยไปแล้วก็เลยเข้าใจว่าจริงๆเนี่ยเรามาพูดเป็นภาษาไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นที่ว่าเราปฏิบัติีต่ไปถึงจุดไหนนะก็เลยคิดว่าสําหรับตัวเองนะสำหรับนิยติธรรมคนอื่นนะทําไปเองนะทําไปแต่หักไม่ต้องไปคิดถึงมิพานถ้ามันถึงก็ถึ ง, งเองเพราะฉะนั้นตัวเองไม่คิดถึงมิพานถ้ามันถึงก็ถึงเองแต่คิดว่าคงไม่ถึงนะ <c oughs> ไม่ถึงคิด่ไม่ถึงแ <c> น <oughs> ่แต่ว่ามันเป็นจ้ถึงแน่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 วันนี้เป็นวันที่มีความหมายพระอาจารย์ประภัสบอกว่าที่นี่บ้านเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ยังไม่ทันอยู่เลยนะขออมุโุทนา้าธุผูเทดาทั้งหลายมาอยู่ก่อนก็เลยกันเป็นเลิกที่สำคัญนะก็ขออนุมัตนาสาธุพวกท่านทั้งหลายที่ได้มาเฉลิมฉลองด้วยการมาสร้างหลักฐานพร้อมกันในการที่จะนำขบวนการจเจริเศรษประธานสี่แบบนี้เข้าสู่สถาบัน